บทได้จบลงด้วยสัญญาณของอัลลอ์ที่มีต่อมนุษยชาติว่าพระองค์จะทรงเปิดเผยให้พวกเขาได้เห็นเคล็ดลับบางประการของจักรวาล น, นี้ในบั้นปลายของวันสิ้นโลกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความจริงตามที่อัลกุรอานได้บอกเล่าไว้บทฟุตซิลัตถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลลอ์ทรงแจกแจงสัญญาณทั้งหลายไว้ในบทนี้ทรงอธิบายอย่างชัดแจ้งถึงหลักฐาน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 มมอัลกุรอานนี้ได้ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอคัมภีร์ซึ่งองค์การทั้งหลายได้ให้คำอธิบายววาอย่างละเอียดเป็นอัลกุรอานภาษาอับศัพสำหรับกลุ่มชน ููทีีม่มมควาร้ هم هم เป็นการแจ้งข่าวดีและเป็นการตักเตือนแต่พวกเขาส่วนมากผินหลังให้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ยิน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 ดังนั้นเจ้าจงทำสิ่งที่เจ้าพึงกระทาเถิดสำหรับพวกเราก็จะทำตามสิ่งที่เราจะกระทำอุลอินมาอนบชรุมมจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด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 และพวกเขาคือพวกปฏิเสธศรัทธาต่อวันปรโลกแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี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 พระองค์ทรงทำให้ภูเขาตั้งมั่นอยู่บนมันและทรงให้มีความจำเริญในนั้นและทรงกำหนดปัดจจัยยางชีพของมันให้มีขึ้นในระยะเวลาสี่วันอย่างเท่าเทียมกันจะบรรดาผู้ไต่ถามทุมเมืสตวาอิลัสสเมอีวเฮียดูขานุมฟะกาลล์เลหะวะลิลอัลดิอติยาทูอันอวุวครฮา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 ก็จงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าฉันขอเตือนพวกเจ้าให้รำลึกถึงความหายนะเยี่ยงความหายนะของพวกอาตและพวกสมุทรลลลินนบบาออก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 แน่นอนพระองค์จะต้องส่งมาลัยกาลงมาดังนั้นเราจรึงปฏิเสธศรัทธาในสิ่งที่พวกท่านถูกส่งมาตว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 แต่พวกเขาก็ยังคงปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเรา。 ดังนั้นเราได้ส่งลมพายุที่หนาวเหน็บมีเสียงกึกก้องลงมาอย่างพวกเขาเป็นเวลาหลายวันแห่งความหายหนาะเพื่อเราจะได้พวกเขาลิ้มรสการลงโทษอันน่าอัปยศในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้และแน่นอนการลงโทษแห่งประโลกนั้นย่อมอัปยศยิ่งกว่าโดยที่พวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ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 لَهُمْ لَهُمْ فَزَيَّنُوا เราเราได้กาหนดสหายไว้สาหรับพวกเขา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 แ, แต่โดยแน่นอนเราจะให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาลิ้มรถการลงโทษอย่างแสนสาหาัสและแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาตามความชั่วที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้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 เป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราและบรรดาผู้ปฏิเสธสัทธากล่าวว่าโอ้พระผู้พิบาลของเรา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 พวกเจ้ายาวาดกลัวและเศร้าสลดใจแต่จงต้อนรับข่าวดีคือสวนสวรรค์ที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้เถิดพวกเรา เป็นผู้อารักขาพวกเจ้าทั้งในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และพอโลกและสาหรับพวกเจ้าในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่จิตใจของพวกเจ้าปรารถนาและสาหรับพวกเจ้าในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าเรียกร้องมมเป็นการต้อนรับจากพระผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ